สังขารุเปขาเท่าไร่เกิดขึ้นด้วยอำนาจสมาธะสังขารุเปขาเท่าไหร่เกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสนาคือสังขารุเปขาแปดอย่างเกิดขึ้นด้วยอำนาจสมาธะสังขารุเปขาสิอย่างเกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสนาสังขารุเปขาแปดอย่างอะไรบ้างเกิดขึ้นด้วยอำนาจสมาธะคือหนึ่งปัญญาที่พิจารณานิวรณ์แล้วดำรงมั่นอยู่ เพื่อต้องการได้ปฐมฌานชื่อว่าสังขารุเปกขายานสองปัญญาที่พิจารณาวิตกวิจาร์แล้วดำรงมั่นอยู่เพื่อต้องการได้ทุติยฌานชื่อว่าสังขารุเปกขายานสามปัญญาที่พิจารณาปีติแล้วดำรงมั่นอยู่เพื่อต้องการได้ตติยฌานชื่อว่าสังขารุเปกขายาน 4. ปัญญาที่พิจารณาสุขและทุกข์แล้วดำรงมั่นอยู่เพื่อต้องการได้จจตุทชฌานชื่อว่าสังขารุปเปขาญาณ 5. ปัญญาที่พิจารณารูปสัญญาปฏิภาสัญญานาณัตสัญญาแล้วดำรงมั่นอยู่เพื่อต้องการได้อากาสา น, นัญจายตนะสมาบัติชื่อว่าสังขารุปเปขาญาณเจ ปัญญาที่พิจารณาวิญญาณัญญายตนะสัญญาแล้วดำรงมั่นอยู่เพื่อต้องการได้อากินัญญาญตนะสมาบัติชื่อว่าสังขารูเปขาญาณ 8. ปปัญญาที่พิจารณาอากินัญญาญตนะสัญญาแล้วดำรงมั่นอยู่เพื่อต้องการได้เนวะสัญญานาสัญญาญาตนะสมาบัติชื่อว่าสังขารูเปขาญาณ สังขาลุเปขาแปดอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจสมถะสังขาลุเปขาสิบอย่างอะไรบ้างเกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสนาคือหนึ่งปัญญาที่พิจารณาความเกิดขึ้นความเป็นไปนิมิตกรรมเป็นเครื่องประมวลมาปฏิสนธิคติความบังเกิดความอุบัติความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเจ้าโศกความรำพัน ความขับแค้งใจแล้วดำรงมั่นอยู่เพื่อต้องการได้โสดาปฏิมัติชื่อว่าสังขารุเปกขาญาณสองปัญญาที่พิจารณาความเกิดขึ้นเพื่อต้องการได้โสดาปฏิผลและสมาบัติชื่อว่าสังขารุเปกขาญาณสามปัญญาที่พิจารณาความเกิดขึ้นเพื่อต้องการได้สกทาคามิมัติชื่อว่าสังขารุเปกขาญาณ 4. ปัญญาที่พิจารณาความเกิดขึ้นเพื่อต้องการได้สกทาคามิผลและสมาบัติชื่อว่าสังขารุเปิดขาญาณ 5. ปัญญาที่พิจารณาความเกิดขึ้นเพื่อต้องการได้อนาคามิมักชื่อว่าสังขารุเปิดขาญาณ 6. ปัญญาที่พิจารณาความเกิดขึ้นเพื่อต้องการได้อนาคามิผลละสมาบัติชื่อว่าสังขารุเปิดขาญาณ เปัญญาที่พิจารณาความเกิดขึ้นเพื่อต้องการได้อรหัตมรคชื่อว่าสังขารุเปกขาญาณ 8. ปปัญญาที่พิจารณาความเกิดขึ้นเพื่อต้องการได้อรหัตผลรัสมาบัตชื่อว่าสังขารุเปยขาญาณ9ปัญญาที่พิจารณาความเกิดขึ้นเพื่อต้องการได้สุญตาวิหารสมาบัตชื่อว่าสังขารุเปยขาญาณ ปัญญาที่พิจารณาความเกิดขึ้นความเป็นไปนิมิตกรัมเป็นเครื่องประมวลมาปฏิสนธิคติความบังเกิดความอุบัติความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศกความรำพันความคลั่แค้นใจแล้วดำรงมั่นอยู่เพื่อต้องการได้อนิมิตตะวิหารสมาบัติชื่อว่าสังขารุปเปขาญาณ สังขารุเปกขาญาณสิทธิ์อย่างนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสนาสังขารุเปกขาฝ่ายกุศลมีเท่าไรฝ่ายอากุศลมีเท่าไรฝ่ายอภพยากริตมีเท่าไรสังขารุเปกขาฝ่ายกุศลมีสิหฝ่ายอัยยากริตมีสฝ่ายอากุศลไม่มีปัญญาที่พิจารณาแล้วดำรงมั่นอยู่8ปประการเป็นอารมณ์ของสมาธิจิต 2. ประการเป็นอารมณ์ของปุถุชนสประการเป็นอารมณ์ของพระเสขะและสประการเป็นเหตุให้จิตของท่านผู้ปราศจากราคะหลีกไป 8. ประการเป็นปัจจัยแก่สมาธิ 10. ประการเป็นอารมณ์แห่งยานสังขารุปเปขา 18. ประการเป็นปัจจัยแห่งวิโมกข์สาปัญญา 18. ประการนี้อันพระโยคาวจรใดอบรมแล้ว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 สังขารูปเปิขายยาณ น, นิเทศที่เก้าจบสิโคตรภูญาณ น, นิเทศแสดงโคตรภูยานปัญญาในการออกและหลีกไปจากนิมิตภายนอกชื่อว่าโคตรภูยานเป็นอย่างไรคือชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดขึ้นชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเป็นไปชื่อว่าโคตรภู เพราะครอบงามนิมิตชื่อว่าโครตรภูเพราะครอบงามความเป็นไปชื่อว่าโครตรภูเพราะครอบงามนิมิตชื่อว่าโครตรภูเพราะครอบงามกรรมเป็นเครื่องประมวลมาชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงามปฏิสนธิชื่อว่าโครตรภูเพราะครอบงามคติชื่อว่าโครตรภูเพราะครอบงามความบังเกิด ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความอุบัติชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความแก่ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเจ็บไข้ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความตายชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเศร้าโศกชื่อว่าโคตรภู เพราะครอบงำความรําพันชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความคับแค็งใจชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำสังขารนิมิตภายนอกชื่อว่าโคตรภูเพราะแล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้นชื่อว่าโคตรภูเพราะแล่นไปสู่ความดับฟืนิพานชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดขึ้นแล้วแล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้น ชื่อว่าโครตรภูเพราะครอบงำความเป็นไปแล้วแล่นไปสู่ความไม่เป็นไปชื่อว่าโครตรภูเพราะครอบงำนิมิตแล้วแล่นไปสู่อนิมิตชื่อว่าโครตรภูเพราะครอบงำสังขารนิมิตภายนอกแล้วแล่นไปสู่ความดับคพรนิพานชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความเกิดขึ้นชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความเป็นไป ชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากนิมิตชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากกรรมเป็นเครื่องประมวลมาชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากปฏิสนธิชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากคติชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความบังเกิดชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความอุบัติชื่อว่าโคตรภู เพราะออกจากความเกิดชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความแอ่ชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความเจ็บไข้ชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความตายชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความเศร้าโศกชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความรำพันชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความคับแค้นใจ ชื hm, nd, JI, ่อว <qui> ่าโคตรภูเพราะออกจากสังขารนิมิตภายนอกชื่อว่าโคตรภูเพราะแล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้นชื่อว่าโคตรภูเพราะแล่นไปสู่ความไม่เป็นไปชื่อว่าโคตรภูเพราะแล่นไปสู่ความดับเคยนิพานชื่อว่าโพตรภูเพราะออกจากความเกิดขึ้นแล้วแล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้นชื่อว่าโพตรภู เ <necessary. S 2> พราะออกจากความเป็นไปแล้วเล่นไปสู่ความไม่เป็นไปชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากนิมิตแล้วเล่นไปสู่อนิมิตชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากกรรมเป็นเครื่องประมวลมาแล้วเล่นไปสู่ความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากปฏิสนธิแล้วเล่นไปสู่ความไม่มีปฏิสนธิชื่อว่าโคตรภู เพราะออกจากคติแล้วเล่นไปสู่อคติชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความบังเกิดแล้วเล่นไปสู่ความไม่บังเกิดชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความอุบัติแล้วเล่นไปสู่ความไม่อุบัติชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความเกิดแล้วเล่นไปสู่ความไม่เกิดชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความแก่แล้วเล่นไปสู่ความไม่แก่ ชื่อว <produ ces i> ่าโคตรภูเพราะออกจากความเจ็บไข้แล้วเล่นไปสู่ความไม่เจ็บไข้ชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความตายแล้วเล่นไปสู่ความไม่ตายชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความเศร้าโศกแล้วเล่นไปสู่ความไม่เศร้าโศกชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากความรำพันแล้วเล่นไปสู่ความไม่รำพันชื่อว่าโคตรภู เพราะออกจากความคับแค้นใจแล้วเล่นไปสู่ความไม่คับแค้นใจชื่อว่าโคตรภูเพราะออกจากสังขารนิมิตภายนอกแล้วเล่นไปสู่ความดับคือนิพานชื่อว่าโคตรภูเพราะหลีกออกจากความเกิดขึ้นชื่อว่าโคตรภูเพราะหลีกออกจากความเป็นไปชื่อว่าโคตรภูเพราะหลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอก ชื่อว่าโคตรภูเพราะเล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้นชื่อว่าโคตรภูเพราะเล่นไปสู่ความไม่เป็นไปชื่อว่าโคตรภูเพราะเล่นไปสู่ความดับคืนนิพพานชื่อว่าโคตรภูเพราะหลีกออกจากความเกิดขึ้นแล้วเล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้นชื่อว่าโคตรภูเพราะหลีกออกจากความเป็นไปแล้วเล่นไปสู่ความไม่เป็นไป ชื่อว่าโคตรภูเพราะหลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอกแล้วเล่นไปสู่ความดับคือนิพพานโคตรภูทำเท่าไรเกิดขึ้นด้วยอำนาจสมถะโคตรภูทำเท่าไรเกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสสนาคือโคตรภูทำแปประการเกิดขึ้นด้วยอำนาจสมถะโคตรภูทำสิบประการเกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสสนาโคตรภูทำแปประการ อะไรบ้างเกิดขึ้นด้วยอำนาจสมถะคือหนึ่งญาณที่ครอบงำนิวรณ์เพื่อได้ปฐมฌานชื่อว่าโคตรภูสองญาณที่ครอบงำวิตกวิจารเพื่อได้ทุติยฌานชื่อว่าโคตรภูสาญาณที่ครอบงำปีติเพื่อได้ตติยฌานชื่อว่าโคตรภูสยญาณที่ครอบงำสุขและทุกข์ เพื่อได้เจตุทัชฌานชื่อว่าโคตรภูห้ายานที่วครอบงำรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตสัญญาเพื่อได้อากาสานัญจายตนะสมาบัติชื่อว่าโคตรภู6กยานที่ครอบงำอากาสานัญจายตนะสัญญาเพื่อได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติชื่อว่าโคตรภูเจ็ ยานทีครอบเมอมวิญญาณัญญา ย, ยตนะสัญญาเพื่อได้อากินัญญาญาตนะสมาบัติชื่อว่าโคตรภูแปดยานที่ครอบเมออาอกินัญญาญาตนะสัญญาเพื่อได้เนวสัญญานาสัญญาญตนะสมาบัติชื่อว่าโคตรภูโคตรภูทำแปดประการ น, นี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจสมถะโคตรภูทำสิบประการอะไรบ้าง เกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสนาคือหนึ่งยานที่ครอบงำความเกิดขึ้นความเป็นไปนิมิตกลัมเป็นเครื่องประมวลมาปฏิสนธิคติความบังเกิดความอุบัติความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศกความรำพันความขับแคลนใจสังขารนิมิตภายนอกเพื่อได้โสดาปติมักชื่อว่าโคตรภู สอยานที่ครอบงำความเกิดขึ้นเพื่อได้โสดาปฏิผลและสมาบัติชื่อว่าโคตรภู3ายานที่ครอบงำความเกิดขึ้นเพื่อได้สกทาคามิมักชื่อว่าโคตรภู 4. ียานที่ครอบงำความเกิดขึ้นเพื่อได้สกะทาคามิผลและสมาบัติชื่อว่าโคตรภู 5. ้ายานที่ครอบงำความเกิดขึ้น เพื่อได้อนาคามิมัชชื่อว่าโคตรภู 6. ยานที่ครอบงำความเกิดขึ้นเพื่อได้อนาคามิผลละสมาบัติชื่อว่าโคตรภู 7. ยานที่ครอบงำความเกิดขึ้นเพื่อได้อรหัตมัชชื่อว่าโคตรภู 8. ยานที่ครอบงำความเกิดขึ้นเพื่อได้อรหัตผลและสมาบัติชื่อว่าโคตรภู เก้ายานที่ครอบงำความเกิดขึ้นเพื่อได้สุญญตวิหารสมาบัติชื่อว่าโคตรภูสิยานที่ครอบงำความเกิดขึ้นความเป็นไปนิมิตกรัมเป็นเครื่องประมวลมาปฏิสนธิคติความบังเกิดความอุบัติความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศกความรำพันความคับแค้นใจ สังขารนิมิตภายนอกเพื่อได้อนิมิตตาวิหารสมาบัติชื่อว่าโคตรภูโคตรภูธรรมสิประการนี้เกิดขึ้นด้วยอํานาจวิปัสนาโคตรภูธรรมฝ่ายกุศลมีเท่าไหร่ฝ่ายอากุศลมีเท่าไหร่ฝ่ายอัพยากฤตมีเท่าไร่คือโคตรภูธรรมฝ่ายกุศลมีสิบห้าฝ่ายอัพยากฤตมีสามฝ่าย อ, า ก, าายอากุศลไม่มี โพตรภููทำแปดประการคือหนึ่งมีอามิ t h สองไม่มีอามิ t h สามีที่ตั้งสไม่มีที่ตั้งหเป็นสุญญตะหเป็นวิสุญญตะเจเป็นวุติตะแปเป็นอวุติตะแปประการเป็นปัจจัยแห่งสมาธิสิบประการเป็นโคจรแห่งญาณสิบแปดประการเป็นปัจจัยแห่งวิโมกษ์สาม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 โคตรภูยานนิเทศที่สิบจบสิบเอ็ดมัคคยานนิเทศแสดงมัคคยานปัญญาในการออกและหลี่ไปทั้งจากกิเลสขันธ์และจากนิมิตภายนอกชื่อว่ามัคคยานเป็นอย่างไรคือในขณะแห่งโสดาปติมัคญาณที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะมีสภาวะเห็นย่อมออกจากมิจฉาทิฐิ ออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฐินั้นจากขันธ์ทั้งหลายและออกจากสพัพ น, นิมิตภายนอกด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการออกและหลีกไปทั้งจากกิเลสขันธ์และจากนิมิตภายนอกชื่อว่ามัรคยานญาณที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะมีสภาวะตรตรองย่อมออกจากมิจฉาสังกัปปะ ออกจากเหากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสังบปะนั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการออกและหลีกไปทั้งจากกิเลสขันและจากนิมิตภายนอกชื่อว่ามรรคยานยานที่ชื่อว่าสัมมาวาจาเพราะมีสภาวะกาหนดไว้ย่อมออกจากมิจฉาวาจา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 จากขันทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการออกและหลีไปทั้งจากกิเลสขันธ์และจากนิมิตภายนอกชื่อว่ามรรคยานยานที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมออกจากมิฉาสมาธิออกจากเหล็กิเลสที่เป็นไปตามมิฉาสมาธินั้นจากขันทั้งหลาย และออกจากสัพนิมิตภายนอกเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการออกและหลีไปทั้งจากกิเลสขันธ์และจากนิมิตภายนอกชื่อว่ามัรคยานในขณะแห่งสกทาคามิมักยานที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นยานที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมออกจากกามราคะสังโยชนกิเลขเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือกามราคะจากปฏิฆะสังโยชนกิเลขเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือปฏิฆะจากกามราคานุสัยกิเลที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือกามราคะจากปฏิฆานุสัยกิเลที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือปฏิฆะส่วนห ย, ยาบหยาบออกจากเหลวกิเลที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น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 ย่อมออกจากกรรมราคะสังโยชน์จากปฏิฆะสังโยชน์จากกรรมราคานุสัยจากปฏิฆานุสัยส่วนละเอียดละเอียดออกจากกล่าวกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันทังหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการออกและหลีกไปทั้งจากกิเลสขันธ์และจากนิมิตภายนอกชื่อว่ามรรคาน ในขณะแห่งอรหัตตมักยานที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นยานที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไ ม, ม่ฟุ้งซ่านย่อมออกจากรู ป, ปราคะความกำหนัดในรูปจากอรู ป, ปราคะความกำหนัดในอรูปจากมานะความถือตัวจากอุทจจะความฟุ้งซ่านจากอวิชชาความไม่รู้จากมานานุสัย กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือมานะจากภวะราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือภวะราคะจากอาวิชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคืออวิชชาออกจากเรากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสรรพนิมิตภายนอกเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในการออกและหลีกไปทั้งจากกิเลสขันธ์และจากนิมิตภายนอกชื่อว่ามัคคยานบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอริยมัคย่อมเผากิเลสที่ยังไม่เกิดด้วยโลกุตระฌานที่เกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวโลกุตระว่าเป็นฌานบุคคลนั้นย่อมไม่หวั่นไหวเพราะทิฏฐิต่างๆเพราะเป็นผู้ฉลาดในฌานและวิโมก พระโยคาวจรตั้งจิตมั่นแล้วย่อมเห็นแจ้งฉันใดเมื่อเห็นแจ้งก็พึงตั้งจิตมั่นฉันนั้นทั้งสมถะและวิปัสนาได้เกิดขึ้นในขณะนั้นมีส่วนเสมอกันดำเนินไปคู่กันความเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกขนิโรธเป็นสุขปัญญาที่ออกจากธรรมทั้งสองย่อมถูกต้องอมตะบทพระโยคาวจรผู้ฉลาดในความต่างกัน และความเป็นอันเดียวกันแห่งวิโมกเหล่านั้นย่อมรู้วิโมกขะจริยาย่อมไม่วันไหวเพราะทิฏฐิต่างๆเพราะเป็นผู้ฉลาดในยานทั้งสองชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการออกและหลีกไปทั้งจากกิเลสขันธ์และจากนิมิตภายนอก ชื่อว่ามัคคยานมัคคยานานิเทศที่สิบเอ็ดจบสิบสองผลระยานา น, านิเทศแสดงผลระยานปัญหาที่หยุดความพยายามชื่อว่า ผลและญาณเป็นอย่างไรคือในขณะแห่งโสดาปฏิมักญาณที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นย่อมออกจากมิชฌาทิฐิออกจากเหลากิเลส ท, ที่เป็นไปตามมิชฌาทิฐินั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกสัมมาทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมัก ยานที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะมีสภาวะตรึกตรองย่อมออกจากมิจฉาสังกัปปะออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสังกัปปะนั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสรรพนิมิตภายนอกสัมมาสังกัปปะย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมักยานที่ชื่อว่าสัมมาวาจาเพราะมีสภาวะกําหนดไว้ ย่อมออกจากมิจฉาวาจาออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาวาจานั้นจากขันธ์ทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกสัมมาวาจาย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรรคญาณที่ชื่อว่าสัมมากรรมันตะเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานย่อมออกจากมิจฉากรรมันตะ ออกจากเหล่ากิเลส ท, ที่เป็นไปตามมิจฉากรรมัตะนั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตรภายนอกสัมมากรรมันตะย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรกายาที่ชื่อว่าสัมมาอาชีวะเพราะมีสภาวะผ่องแผ่ย่อมออกจากมิจฉาอาชีวะออกจากเหล่ากิเลส ท, ที่เป็นไปตามมิจฉาอาชีวะนั้น จากขันทั้งหลายและออกจากสรรพนิมิตภายนอกสัมมาอาชีวะย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมัจญาณที่ชื่อว่าสัมมาวายามะเพราะมีสภาวะประคองไว้ย่อมออกจากมิฉาวายามะออกจากเหล่ากิเลส ท, ที่เป็นไปตามมิฉาวายามะนั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสรรพนิมิตภายนอก สัมมาวายามะย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรรคญาณที่ชื่อว่าสัมมาสติเพราะมีสภาวะตั้งมั่นย่อมออกจากมิจฉาสติออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสตินั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสรรพนิมิตภายนอกสัมมาสติย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้น การหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรรคญาณที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมออกจากมิจฉาสมาธิออกจากเหล่ากิเลส ท, ที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันธ์ทั้งหลายและออกจากสรพนิมิตภายนอกสัมมาสมาธิย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรรค ในขณะแห่งสักระทาคามิมักยานที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นยานที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมออกจากการมราคะสังโยชน์จากปฏิฆะสังโยชน์จากการมราคานุสัยจากปฏิฆานุสัยส่วนหยับหยบับออกจากเหล่ากิเลส ท, ที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันธ์ทั้งหลาย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 จากปฏิกานุสัยส่วนละเอียดละเอียดออกจากเหล่ากิเลส ท, ที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันธ์ทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกสัมมาสมาธิย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรรคในขณะแห่งอรหัตมรรคญาณที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็น ญาณที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมิสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมออกจากรูปราคะจากอรูปราคะจากมานะจากอุทจจะจากถีนิมิตจากอวิชชาจากภวะราคานุสัยจากมานานุสัยจากอวิชานุสัยออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันธ์ทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอก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 วิมุติยา น, นันนิเทศแสดงวิมุติยานปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสที่อเรมาตขาดแล้วชื่อว่าวิมุติยานเป็นอย่างไรเพื่ออุปกิเลสแห่งจิตของตนคือสักกายทิฐิความเห็นว่าเป็นอัตตาของตนวิจิกิช้าความลังเลสงสัยสีัพตารามา m การยึดมั่นศีนพลพรดทิฐานุสัส กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเคอทิฐิวิจิกิจชานุใสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเคอวิจิกิจชาเป็นกิเลสที่โสดาปติมักตัดได้โดยเด็ดขาดแล้วจิตจริงชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นดีแล้วจากอุปกิเลสหาประการนี้พร้อมด้วยกิเลสที่คลุ่มรุมจิตชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้วิมุตินั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลส ท, ที่อาริยมักตัดขาดแล้วชื่อว่าวิมุติยานอุปกิเลสแห่งจิตของตนคือกามราคาสังโยชตปฏิคะสังโยตส่วนหยับหยับกามราคานุใสปฏิคานุสัยส่วนหยับหยับเป็นกิเลต ท, ที่สกตะทาคามีมักตัดได้โดยเด็ดขาดแล้วจิตจึงชื่อว่าหลุดพ้นแล้ว หลุดพ้นดีแล้วจากอุปกิเลสสี่ประการนี้พร้อมด้วยกิเลสที่คลุ่มรุมจิตชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้วิมุต t นั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสที่อริยมรรคตัดขาดแล้วชื่อว่าวิมุตติยานอุปกิเลสแห่งจิตของตนคือกลารมราคะสังโยชนน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 เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลส ท, ที่อริยมักตัดขาดแล้วชื่อว่าวิมุตติญาณอุปกิเลตแห่งจิตของตนคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชามานานุสัยพวราคานุสัยอวิชานุสัยเป็นกิเลต ท, ที่อรหัตมักตัดได้โดยเด็ดขาดแล้วจิตจึงชื่อว่าหลุดพ้นแล้ว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 ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลส ท, ที่อริยมรรคขาดแล้วชื่อว่าวิมุตติญาณวิมุตติญาณนนิเทศที่สิบสามจบสิบสี่ปัจเจเวขณะญาณนนิเทศแสดงปัจเจเวขณะญาณปัญญาในการเห็นธรรมที่มาร่วมกันในขณะนั้น ชื่อว่าปัจเวคขณะยานเป็นอย่างไรคือในขณะแห่งโสดาปติมักยานที่ชื่อว่า so สัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะมีสภาวะตรึกตรองมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสัมมาวาจาเพราะมีสภาวะกําหนดไว้มาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ เพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสัมมาอาชีวะเพราะมีสภาวะผ่องแผ้วมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสัมมาวายามะเพราะมีสภาวะประคองไว้มาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสัมมาสติเพราะมีสภาวะตั้งมั่นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านมาร่วมกันในขณะนั้นยาณที่ชื่อว่าสติสัมโพชงเพราะมีสภาวะตั้งมั่นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชงเพราะมีสภาวะเลือกเฟ้นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าวิริยะสัมโพชงเพราะมีสภาวะประคองไว้มาร่วมกันในขณะนั้น ยานที่ชื่อว่าปิติสัมโพชงเพราะมีสภาวะแผ่จ้าไปมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าป yep ัสสธิสัมโพชงเพราะมีสภาวะสงบระงับมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสมาธิสัมโพชงเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าอุเบกขาสัมโพชงเพราะมีสภาวะพิจารณา มาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าศัทธาภละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธามาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าวิริยะภละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความเกียจคร้านมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสติภละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทมาร่วมกันในขณะนั้น ยานที่ชื่อว่าสจมาธิพละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะอุทจจะมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าปัญญาพละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชามาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสัจทินสีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าวิริยินสีเพราะมีสภาวะประคองไว้มาร่วมกันในขณะนั้น ยานที่ชื่อว่าสตินสีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสมาธินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าปัญญสีเพราะมีสภาวะเห็นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าอินรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่มาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าภะละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว มาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสัมโพชงเพราะมีสภาวะนาออกมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่ามรคเพราะมีสภาวะเป็นเหตุมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสติปทานเพราะมีสภาวะตั้งมั่นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสัมมรปทานเพราะมีสภาวะตั้งไว้มาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าอิทธิบาท เพราะมีสภาวะสำเร็จมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้มาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสมถะเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสมถะและวิปัสสนา เพราะมีสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกันมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าทำเป็นคู่กันเพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกันเมื่อร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสีละวิสุทธิเพราะมีสภาวะสำรวมมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าจิตตวิสุทธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านเมื่อร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ เพราะมีสภาวะเห็นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าวิโมกเพราะมีสภาวะหลุดพ้นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าวิชาเพราะมีสภาวะรู้ชัดมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าวิมุตติเพราะมีสภาวะตละมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่ายานในความสิ้นไปเพราะมีสภาวะตัดขาดมาร่วมกันในขณะนั้น ยานที่ชื่อว่าฉันทะเพราะมีสภาวะเป็นมูลมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่ามนสิยการเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าผัสสะเพราะมีสภาวะเป็นที่รวมมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าเวทนาเพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุมมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสมาธิ เพราะมีสภาวะเป็นประธานมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสติเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่มาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะยิ่งกว่าธรรมนั้นๆมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าวิมุตติเพราะมีสภาวะเป็นแก่นสารมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าธรรมที่ยังลงสู่อมตะคลือนิพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุด มาร่วมกันในขณะนั้นพระโยคาวจรออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาว่าทำเหล่านี้มาร่วมกันในขณะนั้นในขณะแห่งโสดาปฏิพันธ์ยานที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะมีสภาวะตรึกตรองมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าอนุ ป, ปาทฏาน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 ญาณที่ชื่อว่าทำที่อย่างลงสู่อมตะเคืินิพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุดมาร่วมกันในขณะนั้นพระโยคาวจรออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาว่าทำเหล่านี้มาร่วมกันในขณะนั้นในขณะแห่งสกทาคามิมัจญาณที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นมาร่วมกันในขณะนั้นในขณะแห่งสกธาคามิผล ญาณที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นมาร่วมกันในขณะนั้นในขณะแห่งอนาคาไมมักญาณที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นมาร่วมกันในขณะนั้นในขณะแห่งอนาคามิผลญาณที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นมาร่วมกันในขณะนั้นในขณะแห่งอรหัตมักญาณที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิ เพราะมีสภาวะเห็นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่ายานในความสิ้นไปเพราะมีสภาวะตัขาดมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าฉันทะเพราะมีสภาวะเป็นมูลมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าทมที่อย่างลงสู่อมตะเพือนิพพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุดมาร่วมกันในขณะนั้น พระโยคาวจร อ, ออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาว่าทำเหล่านี้มาร่วมกันในขณะนั้นในขณะแห่งอรหัตผลยานที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าอนุปปัฏฐานเพราะมีสภาวะระ ง, งับมาร่วมกันในขณะนั้นยานที่ชื่อว่าฉันทะเพราะมีสภาวะเป็นมูลมาร่วมกันในขณะนั้น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 ปัญญาในการพิจารณาธรรมที่เข้ามาประชุมกันในขณะนั้นชื่อว่าปัจเาาปจเวขณะญาณปัจจเวขณะญาณ น, นิเทศที่สิบสี่จบสิบห้าวัตถุนานัตตญาณ น, นิเทศแสดงญาณในวัตถุต่างๆปัญญาในการกําหนดธรรมต่างๆที่เป็นภายในชื่อว่าวัตถุนา น, ะตะานัตตญาณญาณในวัตถุต่างๆเป็นอย่างไร พระโยคาวจรกำหนดทำทั้งหลายที่เป็นภายในอย่างไรคือพระโยคาวจรกำหนดจักขุที่เป็นภายในกำหนดโสตะที่เป็นภายในกำหนดภาณะที่เป็นภายในกำหนดชิวหาที่เป็นภายในกำหนดกายที่เป็นภายในกำหนดมโนที่เป็นภายในพระโยคาวจรกำหนดจักขุที่เป็นภายในอย่างไรคือกำหนดว่าจักขุเกิดเพราะอวิชชา กำหนดว่าจะขุเกิดเพราะตันหากำหนดว่าจะขุเกิดเพราะกรรมกำหนดว่าจะขุเกิดเพราะอาหารกำหนดว่าจะขุเกิดเพราะอาศัยมหาพูทรูปสีกำหนดว่าจะขุเกิดแล้วกำหนดว่าจะขุมาร่วมกันแล้วกำหนดว่าจะขุไม่มีแล้วเกิดมีมีแล้วจะไม่มีกำหนดจักขุโดยความเป็นของมีที่สุด คือกำหนดว่าจะขูไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดากำหนดว่าจะขูไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดากำหนดจกขูโดยความไม่เที่ยงไม่กำหนดโดยความเที่ยงกำหนดโดยความเป็นทุกข์ไม่กำหนดโดยความเป็นสุข กำหนดโดยความเป็นอนัตตาไม่กำหนดโดยความเป็นอาตาย่อมเบื่อหน่ายไม่ยินดีย่อมคลายกำหนัดไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับไม่ให้เกิดขึ้นย่อมสละคืนไม่ยึดถือเมื่อกำหนดโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาความหมายรู้ว่าเที่ยงได้เมื่อกำหนดโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาความหมายรู้ว่าเป็นสุขได้ เมื่อกำหนดโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาความหมายรู้ว่าอัตตาได้คือเมื่อเบื่อน่ายย่อมละนันทิความยินดีได้เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะได้เมื่อทําราคะความกำหนัดให้ดับย่อมละสมุทัยเหตุเกิดได้เมื่อสละคืนย่อมละอาทานะความยึดถือได้ พระโยค hungry, าวจรกำหนดจักขุ mm. ที่เป็นภายในอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดโสตะที่เป็นภายในอย่างไรคือกำหนดว่าโสตะเกิดเพราะอวิชชาพระโยคาวจรกำหนดโสตะที่เป็นภายในอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดคานะที่เป็นภายในอย่างไรคือกำหนดว่าคานะเกิดเพราะอวิชชา พระโยคาวะจรกำหนดคาณนะที่เป็นภายในอย่างนี้พระโยคาวะจรกำหนดชิวหาที่เป็นภายในอย่างไรคือกำหนดว่าชิวหาเกิดเพราะอาวิชชาพระโยคาวะจรกำหนดชิวหาที่เป็นภายในอย่างนี้พระโยคาวะจรกำหนดกายที่เป็นภายในอย่างไรคือกำหนดว่ากายเกิดเพราะอวิชชา พระโยคาวจรกำหนดกายที่เป็นภายในอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดมโนที่เป็นภายในอย่างไรคือกำหนดว่ามโนเกิดเพราะอวิชชากำหนดว่ามโนเกิดเพราะตัณหากำหนดว่ามโนเกิดเพราะกรรมกำหนดว่ามโนเกิดเพราะอาหารอาศัยหาทัยวัตถุกำหนดว่ามโนเกิดแล้ว กำหนดว่ามโนมาร่วมกันแล้วกำหนดว่ามโนไม่มีแล้วเกิดมีมีแล้วจากไม่มีกำหนดมโนโดยความเป็นของมีที่สุดคือกำหนดว่ามโนไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดากำหนดว่ามโนไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดา คลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดากำหนดมโนเดืความไม่เที่ยงไม่กำหนดเดือความเที่ยงกำหนดเดือความเป็นทุกข์ไม่กำหนดเดือความเป็นสุขกำหนดเดือความเป็นอนัตตาไม่กำหนดเดือความเป็นอัตตาย่อมเบื่อหน่ายไม่ยินดีย่อมคลายกำนัดไม่กำนัดย่อมทำราคะให้ดับไม่ให้เกิดขึ้นย่อมสละคืนไม่ยึดถือ เมื่อกำหนดโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาได้เมื่อกำหนดโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อกำหนดโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตสัญญาได้เมื่อเบื่อหน่ายย่อมละนันทิได้เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะได้เมื่อทำราคะให้ดับย่อมละสมุทยได้เมื่อสละเพนย่อมละอาทานะได้ พระโยคาวจรกำหนดมโนที่เป็นภายในอย่างนี้กำหนดธรรมที่เป็นภายในอย่างนี้ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดธรรมที่เป็นภายในชื่อว่าวัตถุนานัตตยานวัตถุนานัตตยานานิเทศที่สิบห้าจบ